ครับเราขอบคุณพระเจ้างรับสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปก็ประเทศไทยคงเคลื่อนไปตามรถแมปที่วางไว้นะฮะอนาคตก็ชัดเจนว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับคือมส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจนะเมื่อมีเหตุการณ์ต่างที่ไม่เกิดขึ้นในทางส่วนภาคใต้ในหลายจังหวัด อในนักกิจเสียนแล้วก็ไอ้ฐานต่อไปนะเราไม่อยากเหตุสภาพนี้เกิดขึ้นแต่ในส่วนตัวผมเชื่อว่าประเทศไทยประเทศที่พระเจ้าอวยพรมากนะอวยพรมากแม้แต่อาหารข้างทางยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยาอาหารข้างทางเลยนะอาหารข้างทางเป็นอาหารที่อร่อยอันดับหนึ่งของโลกนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่ดีนะครับไอ้ส่วนที่มีดีที่เกิดขึ้นหน้าที่นักกิเสียนคือไอ้ฐาน เราคงไม่ราบค์พระเจ้าอะไรมากมายนักแต่สิ่งที่คนทําเคืออิฐฐานแะสิ่งใดเราเชื่อในพระเจ้าคนที่ทําสิ่งดีพระเจ้าก็ดูแลคุ้มครองคนที่ทํำไปสิ่งไม่ดีก็มีวาระเวลาของเขาไปตามเรื่องนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันหนึ่งนะเป็นวันสตรีนะฮะของสภาขุจักรในประเทศไทยนะแต่เขามีหัวข้อสนญายเรื่องหนึ่งการมีชีวิตอยู่ทํางานให้โลกมีชีวิตแลรงตากพวกเนี้ย นะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราเป็นวันแม่ด้วยก็เลยขอปรับเปลี่ยนนิดนึงนะเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรเป็นในวันนี้แต่ไงไรก็เป็นสตรีแม่ก็คือสตรีนะวันรลึกสตรีคือวันรลึกปดแม่วันระลึกปดแม่นะครับอันนี้คือสินงสำคัญนั้นก็อวันนี้อยากพูดถึงเรื่องของแม่แท้ไม่แพ้พระเจ้านะถ้าบุคคลใดก็ตามแต่ที่เป็นแม่แท้แท้นะ ก็สามารถสะท้อนลักษณะของพระเจ้าได้นะแต่ถ้าแม่ไม่แท้ก็ดูลำบากเพราะในยนุคนี้สมัยปัจจุบันนี้อาจจะมีแม่ไม่แท้เกิดขึ้นเยอะนะอาจจะโดยเรื่องจากความไม่พร้อมเลยต่างก็ตามแต่นะหรือว่าสภาวะจิตใจไม่ดีก็เลยละเลยเหน้าที่ความเป็นแม่ไป แต่เมื่อเราเห็นบุคคลที่เป็นแม่แท้ๆทำหน้าที่แท้เขาจะไม่แพ้พระเจ้าคือจะท้อนลนักษณะพระเจ้าบางอย่างเห็นว่านี่คือแหละนี่แหละคื อ, อพระเจ้าก็ดูแลเราไม่ต่างอะไรกับแม่ที่ดูแลเราพรอะองค์อาจจะทได้มากกว่าแต่สิ่งที่สะทอนใกล้เคียงกว่าคือชีวิตของแม่นะครับก็เลยนำเอาคนที่เขาชอบแชร์กันเนี่ยนะจากไปเว็บไซต์ของ love.co.th นะฮะ เขาพูดด้วยว่าแม่เนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของเราไม่ต้องเช่าให้อยู่ฟรีเก้าเดือนนช่วงอทีทองเก้าเดือนอยู่ฟรีนะพร้อมทั้งอาหารชั้นดีทุกวันนะเสิร์ฟตรงเวลาทุกมือ้อเป็นบ้านที่บบระบบรักษาความปลอดภัยนะไม่ต้องใช้สัญญาณการขโมยที่ดีสุดที่เราเคยอยู่นะจำได้หรือป่าไม่รู้แต่เขาเล่าให้ฟังว่า ตอนอยู่ในท้องเก้าเดือนเนะี่ยคุณไมีเสียค่าเช่านะลูกทั้งหลายเนี่ยนะให้อยู่ฟรีเข้าใจไหมแถมมีอาหารให้ทุกมื้อด้วยนะครับนั่นะ ค, นะคือสิ่งที่ให้มองเห็นนะครับแม่รักเราตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าเป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์ที่สุดรักไม่เคยคิดเปลี่ยนใจและรักไม่เคยน้อยลงถ้าเป็นหนงังเป็นละครเขาอาจจะว่ามีโอกาสได้รักใครสักคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครจะไม่เคยเห็นหน้าก็มีมีหนังละครแบบนี้ด้วยแต่นี้เรื่องจริง นะฮะขณะที่เราอยู่ท้องเก้าเดือนแม่ก็รักก็แล้วไม่เห็นหน้าหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะฮะจะสวยไม่สวยจะอะไงก็ตามแต่แต่ก็รักก็แหละนะะรอว่าเมื่อไหร่จะณดอดูเออชื่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะออกมาหน้าตาเป็นไงก็ตามแต่ความรักแท้ไม่เปลี่ยนแปลงนะนะครับรักไม่เคยน้อยลงด้วย mm. แม่เป็นรถคันแรกของเราไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนแม่คือยาติพนะุของเรา ทุกครั้งที่แม่ไปไหนจะกระเตงเราไปด้วยอระเตงเราไปด้วยเสมอเพราะแม่จะไม่ยอมปล่อยให้เราห่างจากสายตาอาวัยรุ่นเข้าใจคําว่ากระเตงไหมกระเตงว่าใส่เอวไปไหนก็หิวไปด้วยนะนะะดีไม่ใส่ตะ ก, การ้าไปด้วยนะฮนะคือไปไหนเอาไปด้วยเขาเรียกกระเตงไปด้วยนะเอาไปไหนไปด้วยทําไมก่อจะเห็นภาพชัดนะซ้ายเอา้ายคนขวาคนหนึ่ง นะอาจจะจุงมือคนหนึ่งแล้วแต่หอบพิ้วกันไปนะแล้ว ก, ก็เตะกันไปนะะอันนั้นคือสิ่งที่แม่เป็นรถคันแรกนะที่ไปไหนมาไหนแม่เอาเราไปด้วยนะครับแม่คือครูคนแรกที่สอนเราสอนทุกวิชาสอนตลอดชีวิตไม่ยอมเกษียณเป้าห่วงเราและเป็นครูที่ไม่เคยแค่สอนแต่จ่ายค่าเทอมให้เราด้วยนี่แม่นี่ยอดมากนะครับทะ้นั้น เมื่อแม่แก่แล้วอายุ80 90แล้วยังสอนอยู่เอระอาชีพเป็นครูนั่นอย่ามาบอกหนูโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่สอนอย่ามาพูดเพราแม่จะไม่ฟังอยู่แล้วเพราแม่ไม่ฟังอยู่แล้วนะเพราะแหวนเป็นครูด้วยอาชีพนะเป็นครูด้วยอาชีพเป็นครูด้ชีวิตนะเป็นครูด้ยชีวิตแม่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ให้อาภัยเสมอไม่ว่าจะทําผิดจนไม่น่าให้อาภัยก็ตามไม่ว่าลูกคใครทำผิดผิดชนิดที่ว่าให้อาภัยไม่ได้ ในความรู้สึกของคนอื่นแต่แม่ก็พร้อมที่ให้อาภัยได้อันนั้นคือแม่ผู้ให้อาภายัยในสายตาของแม่แล้วเราไม่เคยแก่เลยแม่จะเห็นเราเป็นเด็กเสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แม่จะยังคอยห่วงใยดูแลแม้ตัวเองจะไร้เรี่ยวแรงเราอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแม่แปดสิบลูกหกสิบลูกยังเป็นลูกอยู่ ลูกยังเลูกอยู่ยนะะไม่เคยมีความรู้สึกว่าลูกไม่ใช่ลูกนะแล้วก็ห่วงใหญ่ตลอดลอเสมอแม้แต่บางครั้งบางคาก่อนจะหมดลมหายใจยังสั่งเสียยังเป็นห่วงเป็นใยสลับพัฒนะฮะนั่นะนะคือความรู้สึกของผู้เป็นแม่นะครับเห็นเราเป็นลูกตลอดเวลาไม่เคยเห็นว่าเราแก่ไปไหนนะครับแม่เป็นอาคารแห่งแรกของเราเป็นนาคารเพีงแห่งเดียวในโลก ที่เราไม่มีเงินฝากแต่สามารถถอนได้นะนะสอนได้ตลอดเลยนะอื แ, แ, นะ ล, แล้วแบมือแบมือนะฝากกึ้งต่เมื่อไหร่ร่วมแบมือน่ะนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นใช่กู้นะนะไม่มีดอกเบี้ยแถมไม่ต้องใช้คืนด้วยนะไม่ต้องใช้คืนนะของที่มือขำลูกๆเ อ, อเงินของหนูนะอ่ะเงินหนูหมายถึงอะก็ที่แม่หาหนูคาววนหนูฝากแม่ไว้ห่า ก็เลยเลิมรุ่งเริ่มไขนะนะงั้นของหนูว่างั้นของหนูว่าเมื่อไหร่ก็ตอนที่แม่ให้หนูไว้หนูฝากแม่ไว้นะก็เลยเริมรุ่งเริไขนะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งถึงแม่ไม่มีก็ตามแต่แม่ก็พร้อมให้เบิกถอนนะถ้ามีให้เบิกถอนนะบางครั้งบางคราไม่มีให้เบิกถอนแถมไปกู้มาให้เบให้ถอยอนึ่งหากอันนั้นคือแม่นะเป็นธนาคารแห่งแรกนะยืมก็ไม่ต้องใช้คืนนะครับ อันนั้นคือสิ่งที่อยา่างนใจมองเห็นนี่คือสภาพของความเป็นแม่นะครับตุยอยากใครมองเห็นภาพรวมนั้นสิ่งที่เอเมื่อมองภาพนี้หรือแม่คือพระเจ้าดังที่ก็คําว่าหรือแม่คือพระเจ้าว่าเปรียบเหมือนมากกว่าคงไม่ได้เป็นถึงพระเจ้าแต่สภาพของแม่เปรียบเสมือนพระเจ้าแม่รักลูกมากพระเจ้ารักเราจนถึงที่สุดแม่ภัยลูกเสมอ พระเจ้าอภัยบาปของเรานะความบาปของเราเนี่ยไม่มีใครให้อภัยได้นอกจากพระเจ้าการอภัยบาปเท่ากับอภัยทั้งหมดในชีวิตนะนะทุกอย่างชิ้เราถือว่ารับเพราะทุกอย่างชิ้นเราเป็นผลพวงมาจากความบาปและเมื่อพระเจ้าอภัยความบาปก็เท่ากับอภัยทุกอย่างนะครับแม่ทำเพรรื่อลูกพระเจ้ายอมเพื่อเราวันนี้เรามีพิธีมาหาศึกนะวันนี้พระเจ้ายอมเพื่อเรา แม่ไม่เคยทิ้งลูกพระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับเจ้าเสมออันนี้ลักษณะที่เห็นว่าสะท้อนลักษณะของพระเจ้าบางอย่างในชีวิตของแม่ที่ให้มองเห็นภาพตรงจุดนี้นะครับแม่ยอมเป็นคนทุกข์ิพเพื่อฉันพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราแม่ยอมทุกอย่างเพื่อเราได้นะและพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราอันนี้คือภาพสะท้อนเห็นลักษณะแม่ และพระสนะของพระเจ้าที่มันจะทอนเข้ามาถึงกันดังนั้นพ่ะคุณแม่ที่มีต่อเราพ่ะคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรามันจะดูใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกคงจะแตกต่างกันบางในมุมบางมุมที่แตกต่างกันอันนั้นคือสิ่งที่อยากกระนุนใจให้มองเห็นโดยเหตุผลนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่เก้าข้อสิบเก้ายิบสองได้กล่าวบอกว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็ย谢谢 <blues. S 3> ังยอมตัวเป็นทาสรับใช้ของปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยูข้าพเจ้าก็เป็นยูเพื่อได้พวกยูต่อพวกยูใต้ธรรมัญญาข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมัญญาแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมัญญานั้นต่อคนอยู่นอกธรรมัญญัติข้าพเจ้าเป็นคนนอกธรรมัญญาเพื่อได้คนที่อยู่นอกธรรมัญญัตินั้น แต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทุกปวงเพื่อช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิธีทางรวมใจฐานครับพระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าที่มีต่อข้าพมาขอขอบคุณพระองค์ที่พระผีทุกตอนและการดลใจซึ่งมาจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนการตัดเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระองค์จะพักพร้อมในการทำการในทุกอย่างเวยพอในขั้มหงายทุกคนในการเข้าใจในพระเจ้าโดยการสัมแดงพุทญาณไปสุดขอองค์พุทธญาณไปสุดทั้งหลายตามชอบพระทัยพระเจ้าทุกประการสันเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พ, พ่อพีตอนนี้เปาโลที่สะท้อนออกมาถึงลักษณะของความเป็นแม่และก็ลักษณะของความพระเจ้าในตัวถ้าเราอ่านพระธรรมของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยหลายครั้งอาจารย์เปาโลกำ ล, ลังบอกว่าบ่งบอกว่าเหมือนเข้าเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกและนี่คือลักษณะหนึ่งนะลักษณะหนึ่งที่ให้เรามองเห็นสิ่งที่พ่อพีพูดถึงนดับแรกคือแม่เป็นธาตุชัน เคมีความรู้สึกงั้นไหมว่าแม่นี่เป็นทาสเรานะท่านอาจจะไม่เคยรู้สึกแต่นึกแค่ดีบางทีเราใช้แม่เหมือนทาสไม่ได้ดังใจก็โมโหแม่เป็นหนี้เรามางแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้ามีความรู้สึกแม่เปนเหมือนทาสอ่ะที่ต้องตามใจฉันนะ่ะท่านสั่งอะไรก็ต้องได้นะ่ะการต้องการอะไรต้องได้นะ่ะนะฮะแต่แม่ทําไมฮะยอม แม่ไม่ได้เกิดมาเป็นทาสแต่แม่ยอมเป็นทาสเพราะถึงแม้ข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้บังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นแม่ยอมเป็นทาสเราเพื่อจะได้ชนะใจเราจริงๆลังแปลความอ่ะได้เห็นความรักของเราไม่มีใครบังคับให้แม่เป็นทาสได้หรอกแต่สำหรับลูกแล้วนี่แม่ยอมเป็นทาสได้ บางครั้งบางคาผมเห็นแม่ที่เป็นเหมือนทาตของลูกจริงๆอ่ะที่มองเห็นภาพชัดเพราะอะไรไหมเพราะลูกเห็นแม่เป็นทาตจริงๆแต่ถ้าไหนสํานึกได้ว่าแม่เพียงแค่ยอมเป็นทาตและข้อตอบสนองแม่ด้วยเพราะคุณก็จะมองอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความรักของแม่และลูกแต่คนไหนที่ไม่เห็นถึงว่าแม่เนี่ยจุสายอมเป็นทาตุกัเขาและเขากับกดขี่คมแหงคุมเพหงแม่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ไง จริงๆบางคนเห็นแม่เป็นเหมือนทาสที่คอยที่เขาจะกดขี่ข่มเหงจะทําอะไรก็ได้อะไรต่างไม่เคยรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของแม่เลยว่าเป็นยังไงแบบไหนคือแม่เนะี่ยยอมเป็นาทาสอยู่แล้วแหละแต่ไม่สมควรที่เราจะไปไปกดขี่ท่านดังาทาสท่านยอมเป็นาทาสของเราแต่เราไม่มีสิทธิในการไปกดขี่ท่านดังาทาสอันนี้ต้องเข้าใจความหมายอันนี้ให้ดีนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสมัครใจปฏิบัติรับใช้เรา เพราะบุคมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นขาาไทยคนนั้นมากคาว่าปฏิบัตินี้มาจากคาําว่าดูลอสซึ่งแปลว่าทาสสมัครพระเจ้าสมัครใจในพระธรรมปฐิปีบทที่สองเนี่ยข้อที่ห้าข้อที่แปดได้พูดถึงว่าน้ําใจของพระคริสต์ก็คือว่าได้ยอมละสภาพความเป็นทาสมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ปฏนะิบัติมนุษย์และยอมตายแทนมนุษย์แม้กระทั่งความตายที่กังเข น, นนั่นคือความสมัครใจของพระเจ้าที่เกิดมาในสภาพของพระเยซูคริสต์เจ้ายอมทุกอย่างเพื่อเราและสุดท้ายคืออะไรยอมตายเพื่อเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักลกูกแต่หลังทั้งราคาเราก็ไม่เข้าใจจริงอยู่พระเยซู เ, เกิดมาเพื่อยอมเป็นทาสเพื่อเรา แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มเหงพระเยซูเหมือนกับที่พระเยซูถามปาเปาโลว่าซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทําไมบางครังง้งมังคาคริสเตียนก็ข่มเหงพระเยซูมากเกินไปเนะจะเอาให้ได้เนี่ขอแล้วไม่ได้โมโหนะลูกเนี่ยขอให้ได้โมโ ห, โหทําไมไม่ได้อนะแล้วมีการเปรียบเทียบอีกมีการกล่าวหาพระเยซูว่ารักไม่เท่ากัน ที่คนนั้นอวยพรแล้วเราไม่อวยพรดูจากอะไรขอแล้วไม่ได้ขอแล้วไม่ได้เอาแค่เนี้ยเป็นตัวชี้วัดก็นายจะ ก, กันเหมือนกับบางทีแม่ที่มีลูกหลายคนนะฮะบางทีลูกก็มีความเสื่อมแม่ไม่ยุติธรรมรักลูกไปเท่ากันแต่ผมเคยบอกหลายครั้งหลายคราวว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันแต่ความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกรับประกันได้ว่าไม่เท่ากัน รับประกันได้เลยไม่เท่ากันคนไหนที่ดีแล้วก็ห่วงน้อยหน่อยคนไหนที่ไม่ดีดูแล้วอนาคตมันแย่ก็ห่วงมากหน่อยไอ้ความห่วงมากห่วงน้อยทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันไม่ใช่มันเรื่องความห่วงมากความห่วงน้อยที่ที่ห่วงน้อยไม่ใช่ไม่รักรักเหมือนกันแต่ที่ห่วงน้อเพราะว่าเขาดีแล้วไงปลอดภัยแล้ว อยู่สบายแล้วไอ้นั่นนะมีปัญหาก็เลยห่วงมากหน่อยนั่นคือสําคัญทํานองเดียวกันบางครัง้งบางคาเราก็มีความรู้สึกว่าแม้ทําไมพระเจ้าไม่ลงโทษคนอธรรมสักทีนึงทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษคนชั่วสักทีหนึ่ ง, ง, งแต่พระเจ้ามาเพื่อใครมาเพื่อคนอธรรมเราเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอาธรรมอดีตนะนั้นผมพยายามคุยเสมอๆว่าชีวของคริสเตียนอย่าลืมกับพืชตัวเองคําว่าแปลว่าอะไร อดีตเราเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่เมื่อเราบรรจกพระเจ้าแล้วเราได้รับกอบคุณของพระเจ้านั้นจําเป็นต้องเข้าใจคนบาปที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่าไปจัดชั้นเข้าไปอีกประเภทหนึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญว่าแม่เป็นทาตฉันแม่ยอเป็นทาตฉันพระเจ้านะยอมที่จะสมัครใจปฏิบัติรับใช้เราในฐานะดุดดังทาตเพื่อให้เราได้รับความรอด อันนั้นคือเขาเรียกว่าเพื่อชนะใจคนนะฮะนะแล้วเป็นฆ่าไถ่สาหรับพระเ ย, ยซูเกิดมาเพื่อเป็นฆ่าไถ่สาหรับแม่เกิดมาเพื่อจะช่วยให้ลูกเนี่ยได้เห็นว่าแม่เนี่ยรักขนาดไหนและให้ลูกไปตลอดรอดฝั่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่แม่จรงแม่เชิดชูฉันแม่เสริมส่งลูกเมื่อลูกดีไม่ใช่บวกนะเห็นลูกดีจะส่งเสริมต่อไปต่อพวกยิวเข้าไปเจ้ากับบรรยูเพื่อได้พวกยิว ตอบว่อยู่ใต้ธรรมัญญาข้าพเจ้าเ็เหมือนคนอยู่ใต้ธรรมัญญาแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมัญญาเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมัญญตินั้น Likewise, คนยูเป็นคนที่มีมรธร ร, รมัญญาของพระเจ้าเปาโลเข้าไปหาไม่ทิ้งไม่บอกว่าโอเคแกมีธรรมัญญาแล้วฉันไม่สนใจแต่เปาโลเข้าไปหา well หเข้าไปอยู่เพื่อเขาเนี่ยรู้จักใช้ธรรมัญญาที่ถูกต้องเข้าใจธรรมัญญาที่ถูกต้องเหมือนกับพระเยซูได้บอกว่า อย่าคิดว่าเรามาเลือกรล้างธรรมญัติและคำของผู้เผยชนะเราไม่ได้มาเพื่อเลือกรล้างแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดํารงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมญัติจนกว่าสิ่งที่ต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูก็ไม่มาทําลายธรรมญัติแต่มาส่งเสริมยิ่งคนไหนที่ที่ยิ่งรักธรรมญัติพระเยซูยิ่งส่งเสริม ใช่ไหมเสร็จเฉลี่หนุ่มมาหาพระเยซูใช่ไหมบอกทํายังไงได้ชิคกี้ลั น, รนพระเยซูถามว่ามัน่างๆทําได้ดีไหมโอ้ทําตั้งแต่เล็กโอ้พระเยซูพอใจมากเลยอยากส่งเสริมต่อไปแต่ท่านยังขาดสิ่งหนึ่งนะยังขาดสิ่งหนึ่งบางทีเนี่ยในการที่เราพึ่งตั้งเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเรียนไม่เข้าใจลูกที่อาจจะดูดีขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่เห็นว่าควรจะส่งเสริมต่อไปดีแล้วนะ ก็เพื่เชิดชตูต่อไปอพักด้านต่อไปให้ลูกสามารถเดินในทางที่ควรทางได้อย่างดียิ่งขึ้ น, นไม่ขาดตกบกพร่องอันนั้นคือสิ่งที่แม่ทําและก็สิ่งเดียวที่พระเจ้าทําเมื่อเราเดินกับพระเจ้าดีแล้วพระเจ้าก็อยากให้เราเดินไปดีมากขึ้นไม่ใช่โอ้ดีแล้วเราปล่อยทิ้งใหม่อันนั้นคือยังความห่วงแต่ความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่ดี กับความหงวงใหของพ่อแม่ที่มีต่รลกที่ม่ดีมันมันคนละวิธีทางกันลูกที่ดีแล้วพ่อแม่ระวังไม่อยากให้ลูกตกต่ำพยายามป้องกัน ร, รักษานั่นก็คือสิ่งเนี้ยดีแล้วใช่ไหมส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมนะะยกย่องเชิดชูให้ เพื่อเข า, าได้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจในพระธรรมธรรมยติราเข้าใจใพระคัมภีร์มีบางเรื่องเลยไม่เข้าใจพระเจ้าก็ส่งเสริมสันแดงบอกเราจะดีมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่หนุนใจว่าแม่พร้อมในการเชิดชู ล, ลูกให้ดีขึ้นพระเจ้าพร้อมในการส่งเสริมคนรักพระธรรมเจ้าให้ดําเนินชีวิตไปทางที่ถูกต้องมากขึ้นนั้นพระเยซูมาอลไรมาสอนเพิ่มเติ ม, มกับคนยูที่มีธรรมัติพระเจ้าแต่ยังขาดความเข้าใจ อันนั้นคือสถ่งสันแม้แต่เราทุกวันนี้เมื่อเราอ่านมัมพีมีหลายเรื่องเราอาจจะไม่เข้าใจพระเจ้าก็หาทางส่งเสริมเราเพื่อเราจะเข้าใจยิ่งเร า, ร, ร, ร, เ า, า, เ ร, ารักพระธรรมของพระเจ้าชาวเบโรอารักพระธรรมของพระเจ้าจิตใจเข้าสูงนั้นเปาโลไปแนะนําให้เขารู้จักพระเยซูให้มากขึ้นที่เมืองเอเวซัสมี่สุสิกของยอห์นหลายคนที่รู้จักรับมาของยอห์นแต่ไม่รู้จักเรื่องมาของพระเยซูฟิตเปาโลเจอก็แนะนาําครับ อพอลโลรู้จักเครื่องราวกองมาของพระเยซูบ้างแต่ไม่เข้าใจอับบีลาปิสิกาก็ไปส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่อย่างนุ้นใจใมองเห็นว่าคนที่ดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้มากขึ้นลูกที่ดีอยู่แล้วแม่ก็ส่งเสริมให้มากขึ้นแม่ไม่เคยมีความสุขว่าเอาแค่นี้ดีแล้วพอแล้วพยายามส่งเสริมต่อไปเท่าที่สามารถจะทําได้สุดกําลังของแม่ และก็สุดหวัวใจของพระเจ้าที่พร้อมในการจะเชิดชูเราให้ไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจนถึงที่พระเจ้าได้วางแบบเอาไว้นั่นคือสิ่งสำคัญสามแม่ไม่ทิ้งฉันแม่ไม่ทิ้งลูกที่ไม่ดีคนทั่วไปอาจจะเลือกคัดสรรคนดีแล้วเอาไว้โดยผลไพรนะแต่สหรับแม่ไม่นะลูกที่ดีแม่ก็ยกชูลูกที่ไม่ดีแม่ก็ไม่เคยทิ้ง ต่อคนที่อยู่นอกธรรมัญญาตข้าพเจ้าเป็นคนนอกธรรมัญญาตเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมัญญัตนแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่เปาโลพูดถึงถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนนอกธรรมัญญาตแต่เปาโลรู้ว่าพระเจ้ารักทุกคนรักคนที่อยู่ในธรรมัญญัติและรักคนที่มาอยู่ในธรรมัญญัติรักนั้นเปาโลไปหาทุกคนแหละไม่ว่าใครก็ตามแต่เพราะมันเป็นความรักของพระเจ้า ในทรรมด์เดียวกันแม่เนี่ยไม่เคยทิ้งใครสักคนหนึ่งทั้งลูกดีแม่ก็อยู่ด้วยลูกไม่ดีแม่ก็อยู่ด้วยแต่การปฏิบัติการดูแลลูกที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งการดูแลลูกไม่ดีอีกรูปแบบหนึ่งจะมีความแตกต่างกันนั้นแม่ก็ไม่เคยทิ้งลูกไปดีพระเจ้าทรรเดียวกันพระเจ้ารักคนบาปต่อให้เราเป็นคนบาปขนาดไหนพระเจ้ายังคงรักเราไม่เคยทิ้งเรา ดังนั้นพระเยซูตรัสว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วจงตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตะอปบูชาด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต บางคร้งบางคาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนเนี่้ไม่เอาอ่าวแล้วคนนีมน้มันเหมือนกราบฝากสังคมก็ดีเป็นหยักเยื่อของสังคมก็ดีเรามีความรู้สึกว่าต้องตัดทิ้งแต่นับพระเจ้าไม่เคยตัดทิ้งต่อให้เราเป็นหยักเยื่อขนาดไหนก็ตามแต่พระเจ้ายังคงรักเราและปรารถนาอย่างยิ่งในการจะช่วยเราเพราะหลักของพระองค์ว่าคนป่วยต้องการหมอ คนสบายไม่ต้องการหมอคนบาปต้องการพระเจ้าและผมไม่แน่ใจว่ามีคนดีคนไหนไม่ที่ไม่ต้องการพระเจ้าเราจะหาคนดีไม่ได้นะหาคนดีพร้อมนี่ไม่ได้แต่ในความรู้สึกของเราเราอาจจะคัดแยกคนนั้นดีและคนนี้นไม่ดีและอาจจะบอกว่าคนนี้เราเอาแล้วคนนั้นเราไม่เอาในความรู้สึกของเรา แต่พระเจ้าพระองค์ไม่เคยไปเสียไขรแม่แต่สักคนเดียวเหมือนกับแม่ที่ไม่เคยไปเสดลูกทั้งดีและลูกทั้งที่ทไม่ดีนะจะบอกดายยิ่งไม่ดียิ่งยิ่งยิ่งเข้าหายิ่งเข้าใกล้นะทำทุกอย่างจนบางคนแบ่งบางคนอาจจะใช้คำพูดนี้นะคำพูดนี้แปลความว่าไม่ใช่ท่าน ก็คือว่าแม้ถ้าเป็นฉันไอลูกคนนี้ฉันทิ้งไปนานแล้วตัดทางปล่อยวัดไปนานแล้วอันนี้อาจจะเป็นพูดของคําของคนที่ไม่ใช่แม่แต่เมื่อไรเขาเป็นแม่ของคนเขาจะไม่พูดคำนี้อาจจะพูดก็พูดไปงั้นแหละตัดทางปล่อยวัดไปแล้วแต่คิดถึงทุกคืนคิดถึงทุกคืนเอ๊ะทำไงช่วยมันได้อะไรต่างเนี่ยไอปาก็พูดไปแต่ใจอคิดเป็นห่วง นะยิ่งลูกเกเรขนาดไหนก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยมากขนาดนั้นคนบาป ท, ที่พยายามหนีหา่างจากพระเจ้าเท่าไหร่พระเจ้าก็ยิ่งตามหาพระเจ้ายิ่งตามหานั้นคือจักรของพระเจ้ามีหน้าที่ตามหาคนบาปเพื่อให้เขาได้รู้จักพระเจ้าอันนั้นเป็นบทบาทของเราเราไม่มีสิทธิ์แยกคนดีกับคนไม่ดีเราไม่มีสิทธิ์แยกคนที่เ อ, อ, เ อ, อชั่วร้ายกับคนที่แสนดีเข้ามาเราไม่มีสิทธิ์ เพราะว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าและทุกคนอยู่ภายใต้ความบาปและพระเจ้าตามหาทุกคนไม่ว่าคุณจะบาปขนาดไหนในพระธรรมสัญญาว่าไม่ว่าบาปนั้นจะแดงกล่ำเหมือนสีเลือดพรงจะทําให้ขาวอย่างสํารีขาวอย่างผ้าขาวขาวอย่างขีมะอะไราตามแต่เนี่ยนั่นคือสิ่งที่แม่ไม่ทิ้งฉันและพระเจ้ารักคนบาปแม่ไม่ทิ้งลูกที่มีดีแต่และพระเจ้าก็ทรงรักคนบาป นั้นคนไหนที่มีความรู้สึกว่คนชอบทําแล้วพระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้แต่คนไหนยังมีความรู้สึกว่าเ้ายังบกพร่องอยู่พระเจ้าพร้อมในการช่วยเหลือเขานั่นคือสิ่งสําคัญที่อยากจะให้มองเห็นภาพนี้แม่คือพลังของฉันแม่ให้กําลังใจเสมอคนอื่นอาจจะไม่ให้กําลังใจแต่แม่ให้เสมอต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ กับเจ้ายอมมีคนคิดต่อคนปวงเพื่อช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางนี่อันนี้ก็เป็นหัวใจของแม่แหละลูกกระปกกระเปียกมาอ่อนล้ามานะอันนี้สินท่วมตัวมาโอ้แม่รับหมดนะฮะไปกระเซากระเซิงจากไหนมาแม่อ้าแขนรับหมดหนุนใจให้กำลังใจ นะฮะบางทีก็อยากจะสมหน้าแต่ว่าไม่คําสมหน้ามันมันออกมาไม่ได้มันติดแค่ลําคอบางคีเห็นหน้าแล้วอยากจะสมหน้าแต่แม่พูดไม่ออกสงสารมากกวสมสงสารอ้าไปามหน้านะแต่ความรักความห่วงใยมันมันมันตื้นตันเลยคําว่าสมหน้าเลยไม่ออกออกอย่างเดียวคือว่ามีอะไรมาลุกมนะ่ช่วยแก้ไขะนะฮะ อ่ารนั่นคสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกับในความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกนั้นผมก็เห็นตรงนี้เยอะนะที่แม่กับตัวเองอะไรต่างเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาไปหาแม่แม่ก็พร้อมจะช่วยเหลือแม่พร้อมจะดูแลพร้อมจะทำทุกอย่างอะอะไรก็ได้แม่ยอมบากหน้าหมดนะทำแทนหมดลูกไม่กล้าเป็นนี้เหรอเอ้แม่ไปเป็นนี้แทนให้ลูกอันนี้เรื่องจริงนะลูกบางคนหน้าบานนะ ไปกู้ยี่หนึ่งินเนไม่ได้แม่ไปกู้แทนได้ไหมเออแม่ได้ปไปแล้วแม่ไปกู้แทนได้แม่ไปนี่แทนให้ส่วนแล้วใครใ ช, ชน้นี่เอาแม่ใชนนนน้นี่แทนเหมือนกันะแม่ใช้นี่แทนอันนี้ก็เกิดขึ้นนะและไปสํารวจดูได้รับกันมีนะลูกบาคนที่หน้าบางจริงบอกว่าเป็นนี่ไม่ได้อับอายขายหน้ายิงทํางานอยู่ในตำแหน่งที่หน้าโอ้ไปกู้ไม่ได้ปัญหาของใครอะปัญหาของคุณแต่แม่เข้าใจอ๋อหน้าตาลูกแค่ไม่รูปไมได้ หน้าตาแม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวแม่เป็นหนี้แทนให้อะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแม่ยอมอย่างอะไรก็ได้นะเหมือนกับหญิงชาวฟิิเียซเรียฟินิเซี ย, ซ ย, ซยใช่ไหมไปหาพระเยซูข อ, อช่วยรักษาลูกหน่อยพระเยซูบอกว่าอาหารของลูกก็ไม่ควรให้สุนัขกินพระเยซูแทงคพูดนี้นะแต่หญิงซีเรียฟินิเซียว่าไงอ๋อไม่เป็นไรเจ้าค่ะอ่า เศษเดนที่ตกจากลูกก็เป็นสิทธิ์ของหมาไม่ใช่เหร อ, อแม่ยอมเป็นหมาแทนลูกได้เพื่อให้ลูกหายโรคอะเศษเดนของลูกหมากินได้ไม่ใช่เหรอมันพระเยซูเสียงไม่ออกนะใช่หมโดยความเชื่ออย่างนี้ลูกเขาก็เลยหายโรคแม่เป็นทุกอย่างได้หมดนะอะไรก็ได้ถ้าท่านอยากให้เป็นนะ่ะเพื่อลูกบางทีไม่ถูกยังยอมเลยนะ่ะ แม่คนบาปนะบางทีทําไม่ถูกเพื่อลูกจะได้ดีเนะี่ยแม่ยอมทํานะว่าอาจจะมองดูมันไม่ถูกแต่ในหัวอกความเป็นแมน่มันไม่รู้จะบอกว่าไงนะบางทีแล้วก็โทษพูดไม่ได้มันไม่ถูกแล้วไม่ทำทำไมแล้วก็ไม่กล้าพูดแล้วเพราะาความรักลูกของเขานะ่ความรักลูกของเขาเนี่ยยอมติดคุกแทนลูกยังได้เลยผมเคยไปเยี่ยมคนในคุกเรือนจําหญิงเนี่ยมีแม่หลายคนติดคุกแทนลูก เรื่องยาเสพติดอ่ะบางคนผมว่าขบางคนอายุ80กว่าแล้วเข้าคุกอ่ะเหตุผลอะไรยาเสพติดคนแก่งี้ไปทำอะไรนอกจากรับแทนอ่ะนะรับแทนอายุจะเข้าโงแล้วเข้าคุกซะก่อนมันเป็นอะไรที่นี่คือหวอกแม่ไงพระเจ้านี่ไม่เคยซ้ำเติมเราเช่นเดียวกันไม้ออสทำแล้วท่านจะไม่หัก แ้าตะเกียงที่ลุกลิบรีแล้วลิบรีอยู่ท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความวิธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริงไม่ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนก็ตามแต่พระเจ้านี้พร้อมในการช่วยเหลือเราท่านจะช้าเหมือนไม้อ้อที่ช้ามาขนาดไหนพระเจ้านี้พอประคองท่านต่อไปท่านอาจจะกลับมาหาพระเจ้าเหมือนแสงเทียนที่ลิบรีเมันไฟยิงจับแต่พระเจ้านี้ก็พร้อมในการช่วยเหลือเราไม่ว่าท่านเป็นใครแบบไหนยังไงก็ตามแต่ ไม่ว่าถ้าทําผิดต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่านับไม่ท้วนมากกว่าสี่ร้อยเก้าสิบครั้งพระองค์ก็ยังให้อภัยอยู่ถ้ากลับมาเถอะขอกลับมาเถอะพระเจ้านี้พร้อมในการช่วยเหลือขอกลับมาเถอะพระเจ้านี้พร้อมในการจัดดูแลขอกลับมาเถอะพระเจ้านี้พร้อมจะยกชูขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเชื่อฟังพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทํากับเรานั้นอมีสักครั้งหนึ่งไหมครับเมื่อเราสารภาพบาปของเราและพระบอกอ่า ไม่ยกโทษให้มีไหมไม่มีนะไม่เคยไม่เคยเลยไม่ว่าจะอะไรก็ไนดนะ้อมมาสารภาพบาปพรค์ผ ม, ม, มก็อภัยให้ถ้าท่านสา ร, รภาพบาปต่อเราพระองคสัตว์เสือเท่งทำํำในสวดยกความผิดบาปบัชําระลอยพ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นหนึ่งยอ่อนในข้อก้าเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่อนาหุนใจมองเห็นว่าพระเจ้าก็ทํานั้นกับเราเหมือนแม่ที่พร้อมตงแต่พระเจ้าอาจจะมีมาตรฐานหน่อย คือมีความวิติธรรมอยู่ด้วยอะไรที่ไม่ใช่พระองค์ไม่ทํานั้นในการช่วยเหลือเราให้พ้นจากความบาปพระองค์มีสิทธิ์จะให้อภั ย, ยโดยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแต่พระองค์ก็ต้องรักษากฎคือค่าดจ้างความบาปคือความตายถ้าคิดจะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปไม่มีวิธีอื่นที่ถูกต้องนอกจากจะมีคนมาตายแทนและพระเจ้านี้ก็มาตายแทนุษเพื่อเรานั่นคือสิ่งที่อย่างนุนใจมองเห็นว่า อมาช่วยเราและให้กำลังใจกับเราบางทีเราท้อใจเพราะความบาปขึ้นเกิดขึ้ น, นชีวิตเราล้บางทีเรามีความรู้สึกโอโหชีวิตนี้คงได้ดีไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่พระเจ้ามาช่วยเราให้มีกำลังใจขึ้นเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ทำใหม่ไปกับพระองค์ใหม่พระองพร้อมชูกำลังพระองพร้อมทำสิ่งต่างนั้นเปาโลยังพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าข้าพเจ้าเปิดเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้านี่เปาโลไปไม่รอด เพราะปะโลเคยร้อมาครั้งโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชราชนีไอสิ่งที่อยากทกํากระทําไม่ได้ความดีไอสิ่งที่ไม่อยากทําความชั่วกับทําโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเปโลรว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชราชนี้แต่โดยพระเยซูช่วยข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นและสามารถกระทําสิ่งดีตามที่ใจปรารถนาทําได้โดยกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่โดยกําลังของตัวเองนั้นลูกบางทีไม่มีกําลังแล้วพอมหาแม่มีกําลังขึ้น ลูกอาจจะหมดเลี่ยวหมดแรงไปแล้วแต่แม่มีกําลังพอจะช้อนลูกขึ้นมาแล้วอุ้มลูกเดินต่อไปบางทีลูกหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วแต่แม่เราพยายามอุ้มประคองเดินต่อไปจนลูกมีแรงเมื่อไหร่ก็วางลงอีกแล้วก้าวต่อไปนั่นคือสิ่งสำคัญมันก็อยากถึงใจให้บรรดาลูกๆทั้งหลายได้เห็นถึงพกคุณความรักของแม่และขณะเดียวกัน ก, ก็เห็นพกคุณความรักของพระเจ้าในฐานะเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าของเราประดุดดังแม่ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากคันของนางได้หรือแม้คนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราจะไม่ลืมเจ้าพระเจ้าพาูดชัดว่าถ้าแม่ไม่ลืมให้ลูกกินนมและก็ดูแลลูกอยู่เสมอพระเจ้านี้จะไม่ลืมเราแต่ถ้าแม่บางคนไม่ทําหน้าที่นี้แต่พระเจ้ายังคงทําหน้าที่เป็นแม่ต่อ แลเราขอบคุณพระเจ้าที่มีลูกหลายคนที่ดูเหมือนเป็นคนไม่มีแม่แต่เมื่อเขามาหาพระเจ้าเขาพบแม่ของเขาพระเจ้าประดุจดังแม่คอยอบอุมเขามันมีคนไร้ฝังโวชีวิตนี้ไม่มีแม่เลยแต่มาหาพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นดุจดังแม่ที่คอยดูแลอใจใสเขาผ่านเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นแม่สะท้อนพระสนะของพระเจ้า อยากดูลักษณะพระเจ้าดูชีวิตของแม่มีส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนกันได้แม่เป็นธาตฉันยอมตัวเป็นทาตลูกพระเจ้าสมัครใจปฏิบัติรับใช้เราแม่เชิดชูฉันแม่เสริมส่งเมื่อลูกดีพระเจ้าเสริมส่งคนที่รักของบัญญัติของพระเจ้าแม่ไม่ทิ้งฉันแม่ไม่ทิ้งลูกที่ไม่ดีพระเจ้าทรงรักคนบาปเสมอแม่คือพลังฉันแม่ให้กําลังใจเสมอพระเจ้าไม่เคยซ้ําเติมเรา ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามดาของตนในองค์พระเจ้าเพราะกระทาอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติบิดามดาของเจ้านี่เป็นบรร ญ, ญัติข้อแรกที่มีพรสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมียืนยืนนานที่แผ่นดินโลกสิ่งที่ลูกควรทาคือให้เกียรติบิดามดาและการให้เกียรตินั้นมีเรื่องเดียวไม่ใช่เจอระยกมือไหว้ เจอยกมือไหว้เป็นเรื่องของทำเนียมปฏิบัติดูสุภาพอ่อนน้อมแต่มีเรื่องเดียวที่บรุงบอกว่าเราเป็นคนให้เกียรติพ่อแม่คือการเชื่อฟังเรื่องเดียวฮะถ้าเราบอกว่าเราให้เกียรติพระเจ้าก็มีเรื่องเดียวที่พระเจ้ามีความเชื่อวเวลาให้เกียรติก็คือการที่เราเชื่อฟังพรุงแต่เราอาจจะนอบ น, น้อมรายสุภาพรายจะดูดีแต่ถ้าประจากการเชื่อฟังก็ถือว่าไม่ให้เกียรติ นั่นคือสิ่งสำคัญให้เกียรติแม่เท่ากับให้เกียรติพระเจ้าการให้เกียรติพระเจ้าแสดงออกโดยการให้เกียรติแม่ถ้าว่าคนไหนให้เกียรติพระเจ้านะก็รู้จากเขาให้เกียรติแม่ไหมถ้าเขาให้เกียรติแม่แสดงว่าเขาให้เกียรติพระเจ้าแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยท่านให้เกียรติพระเจ้าเสมอแต่ไม่เคยให้เกียรติแม่เลยนี่ก็มีปัญหาระดับหนึ่งนะ นั้นให้เกียรติแม่เท่ากับให้เกียรติพระเจ้าการให้เกียรติพระเจ้าแสดงออกโดยการให้เกียรติแม่อันนี้คือสิ่งที่อยากนุนใจให้มองเห็นนั้นวันแม่ทุกๆวันเป็นวันแม่แหละเพราะเรามีแม่อยู่กับเราเองนะเราควรจะแสดงออกตรงนี้อะไรต่างๆให้ดีและสิ่งที่พ่อแม่ชื่นใจมากสุดสำหรับลูกคือว่าเชื่อฟังแม่เมียเลย เพียงแค่เช so ื่อฟังนี่แม่พ่อแม่ชื่นใจแล้วแค่เชื่อฟังแล้วแม้คำแล้วเชื่อฟังทําตามนี่นะนั่นคือความชื่นใจที่พ่อแม่ได้รับจากลูกเรื่องเดียวทท่งนั้นที่พ่อแม่ชื่นใจกับลูกได้ความสําเร็จของลูกก็เป็นความภาคภูมิใจการก้าวหน้าของลูกเป็นความดีใจของแม่แต่ความชื่นใจของแม่คือเมื่อลูกเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าอยากให้พ่อแม่ชื่นใจก็เชื่อฟังอยากให้พระเจ้าชื่นใจก็จงเชื่อฟังพระเจ้า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าชื่นใจเราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์อันนั้นคือสิ่งและการเชื่อฟังเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวตัดสินที่บัลลังก์ของพระเจ้าไม่มีเรื่องพระเจ้าตัดสินใจบนพื้นฐานเดียวเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังไม่ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าคุณทําดีขนาดไหนไม่ใช่ตัดสินใจบพื้นฐานว่าเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังนั่นคือเส้นเดียวที่พระเจ้าเอาเป็นเส้นวัด ในการใจว่าเขาเป็นลูกที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่คือเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังและเ ส, ส้นเดียวที่พ่อแม่ถึงใจว่าลูกคนนี้าให้เกียรติพ่อแม่และคือการเชื่อฟังนั้นขอยา้าอีกครั้งหนึ่งให้เกียรติแม่เท่ากับให้เกียรติพระเจ้าการให้เกียรติพระเจ้าแสดงออกโดยการให้เกียรติแม่นั้นใครก็ตามแต่บอกว่าให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าแต่ชีวิตจริงไม่ให้เกียรติแม่อย่ามาพูดนะว่าให้เกียรติพระเจ้า ไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้แต่เมื่อไรคุณให้เกียรติแม่ถ้าคุณพูดได้เต็มปากคำว่าฉันให้เกียรติพระเจ้าเราร่วมใจทานด้วยกันฮาเลาลูยาสรรเสริญแล้วขอบพระคุณพระเจ้าพระวิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อคุณแม่ทุกท่านขอประทานศส่สุข และความชื่นชมดีให้ตลอดเวลาเสริมเรี่ยวแรงกับการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลลูกไว้พร้อมกับลูกๆคนที่ได้เห็นถึงความรักของแม่และสิ่งเดียวที่ลูกทำให้แม่ชื่นใจคือการเชื่อฟังให้ลูกทุกคนมีหัวใจใการเชื่อฟังแม่สรรเสริญและขอบพระคุณในความรักของพระเจ้าผู้ทรงประชนันอยู่ครับทั้งหลาย และขอประคุณเจ้าโอกาสนี้ที่ทข้างหลายจะมีโอกาสได้ถวายเกียรติพระเจ้าในการจะเข้าสู่ที่มหาสิทิให้ข้าหลจ้ามีจิตใจใการถวายเกียรติในการเชื่อฟังพงศ์เราจะมีโอกาสร้องเพลงอา่าสองสองเก้าเราสู้ยอมตายเพื่อท่านเพื่อเข้าสู่ที่มหาสิทิด้วยกัน